ความเด่นที่เน้นความสำคัญของไตรสิกขาไตรสิกขานี้บางครั้งพระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นคำสอนภาคปฏิบัติแบบที่เข้าใจง่ายๆและชาวพุทธมักนำมาอ้างกันบ่อยๆถึงกับเรียกกันว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาดังปรากฏเป็นส่วนสำคัญอยู่ในหลักโอวาทาปาติโมกคำสอนที่เป็นหลักใหญ่ ของพระพุทธเจ้ามีสมข้อคือหนึ่งสัพพาปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวง 2. อกุศลสุปะสัมปทาการบำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อม 3. ส, สจิตปริโยธปนังการทำจิตของตนให้ผ่องใส การจัดเข้าตรายสิกขาพึงพิจารณาจากทีฆานิกายอัตกถาและคำภีธรรมะปัททกถาซึ่งแห่งแรกว่าข้อที่หนึ่งสัพพาปาปัสะอาการะนังการไม่ทําความชั่วทั้งปวงได้แก่ศีลสังวรข้อที่สองอุศลาสูปะสัมปทาการบำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อมได้แก่สมถะและวิปัสสนาคือสมาธิและปัญญานั่นเอง ข้อที่ 3. สสติตะปริโยธปนังการทำจิตของตนให้ผ่องใสได้แก่อรหัตผลตในคำพีธรรมปัตถกถาถือเอาเพียงชำระจิตให้สะอาด จ, จากนิวรห้าเป็นการชำระจิตให้ผ่องใสถ้าถือตามที่มาสองแห่งนี้ก็จัดข้อหนึ่งเป็นศีลซึ่งจัดเกินกว่านี้ก็มีแง่ให้จัดได้ ข้อสองเป็นสมาธิและปัญญาข้อสามเป็นสมาธิและปัญญาซึ่งจัดเป็นวิมุตติด้วยก็ได้อย่างไรก็ดีวิสุทธิมักจัดเทียบง่ายๆว่าข้อหนึ่งเท่ากับศีลข้อสองเท่ากับสมาธิข้อสามเท่ากับปัญญาตามลำดับ